Book 2 w 1 s e v e n g h t In en z e i e t s w n It's คุณอ y าก w a า t ะไร What veel je doen? You want to play football. Wil j y ีล่าฟุตบอลสเปียลคุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไหมวิ่งยีฝรฟริ e เดอ n ์ขอนไคเออร์ต้องการอยากวิ่งดิฉันไม่อยากมาสายเ i กว i ่ง a ี่ลอตเวียสนี่ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น ดิฉันต้องการกลับบ้านดิฉันต้องการอยู่บ้านดิฉันต้องการอยู่คนเดียวคุณอยากอยู่ที่นี่ไหม เวอร์ h ้ายฮิรคุณอยากทานอาหารที่นี่ไหมเวอร์ย้าคุณอยากนอนที่นี่ไหมอร์ย้าย s ิร์สคุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะเวอร์ิทมูเรฟร์ตคุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ วิลลี่ไป o รวจมืคุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะวิลลี่ดีเ e ีย n หนึ่งม e e ร์เอชป a ะตคุณอยากไปดิสโก้ไหมวิลเล่และนอร์ดิดิ e ก์ที่เ a ็คุณอยากไปดูหนังไหมวิลเล่และนอร์ดิบ o วส์กูบ a ุคุณอยากไปร้านกาแฟไหม w ่าเ l e na น่าดีก f แฟตัวก a อ